ตนนั้นต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสใ ย, ยกางสวดถึงจะเป็นอันทิสมในศรัทธาของเขาก่อแต่บางคนเนี่ยนะเขาไม่เข้าใจเลยถ้าสวดไปนานๆจะรู้เองนะถ้าเกิดสมาธิจะรู้ว่าเนี่ยเป็นแปลว่าอะไรมีคนทําได้เยอะบางคนเนี่ยเขาจะสวดพุตภูริเนี่ยสวดมตนและะ้วก็ดีสวดแปลก็ไม่ดีก็ อ, อะไรจิตไม่ถึงเข้าไม่ถึงธรรมะถ้าจิตมีศรัทธาเรื่องสายสวดให้มันเข้าถึง1เข้าถึง2องจะซึ้งใจสามจะใฝ่ดีสีจะมีสชาติ พูดจริงทจริงเลยนี่ออกมาชัดเลยนี่นนนในสงมีศักดิแล้วก็จะมีกตัญญูกตเวทิจาธรรมรู้หน้าที่การงานงขุกตนการสวดมนต์ไม่ชนะธุรกิจสวดมนต์นี่ต้องการให้มนุถึงตัวเอง<ช>มีสติสัมปชัญญะให้สวดเข้าไปสะวีดไปเพราะถึงจิตถึงใจแล้วก็ซึ้งใจพอซึ้งใจแล้วซึว้งธรรมซึ้งธรรมะมันจะฝ่ายดีถ้าหากว่าจิตยังวุ่นวายหรือว่สวดมากแล้วก็ไปทํางานบ้างมันดะพร้น